ถ้าสมมุติว่ามีช่างจักสารคนหนึ่งตมบูฟังเขาก็เอาไม้ไผ่ที่สำหรับจะทำการจักสารเนี่ยมาเ่าออกเป็นสี่ท่อนเอาบลองไม้ไผ่เนี่ยนะมาเ่าออกเป็นสี่ท่อนในแต่ละท่อนที่เ่าออมาแล้วก็แบ่งเป็น4ส่วนในแต่ละส่วนที่มันจะเป็นรูปของเสี้ยววงกลมอันหนึ่ง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 หีบหีบใหญ่ๆอยู่ห้าหีบด้วยกันแล้วก็เปิดหีบหนึขึ้นก่อนในอีกสี่หีบก็เอาไว้ก่อนแต่เปิดหีบหนึงขึ้นข้างในมีสมบัติแบ่งไว้เป็นส่วนๆแต่มีผอภ อ, อยู่สี่ผอภก็เอาผอภหนออกมาแล้วก็เปิดผอภที่อยู่ข้างในนั่นออกมาแต่มีทรัพย์สิสนเพชรนินจินดาอะไรต่างๆอยู่แบ่งให้กับพระราชกุมารกับพระราชธิดาเหล่านั้น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 ภาษาดิบุตรเนี่ยได้แยกแย่แจกแจงเรื่องที่สําคัญสําคัญเอาไว้อย่างละเอียดลึกซึ้งมากเหมือนกับนายช่างจักสานใะที่เขาจะค่อยแบ่งจากไม้ไผ่ปล้องใ ห, ใหญ่ๆยาวๆออกแบ่งออกแบ่งออกจนกระทั่งเหลือเป็นเสี้ยวไม้ไผ่สําหรับจะไปทําจักสานได้หรือเหมือนกับมกุฎราชกุมารพระโอรสองค์โตที่สามารถจะแบ่งสัสดส่วนทรัพย์สินต่างๆ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 ซึ่งถ้าเราดูลักษณะการแสดงตามก่อนท่านพระสารีบุตรเนี่ยแม่เป็นธรรมปัญญาญาจริงๆคือยกพุทธพจน์ขึ้นมาในการอธิบายธรรมของท่านด้วยแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอริยสัจสี่นี่พูดถึงทุกขส ม, มุทัยนิโรธมรรคอส ม, มุทัยนิโรธมรรคยกไว้ก่อนอธิบายเฉพาะเรื่องทุ ก, ก่อนเน่เรื่องทุกก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไว้ก่อนอธิบายเฉพาะเรื่องรูปก่อนแล้วรูปก็มีดินน้ำไฟลมไอ้ดินน้ำไฟลมเนี่ย มันไปเกี่ยวข้องกับขันห้าอย่างไรแล้วมันมารวมลงกันตรงที่เป็นพุท ธ, ธานุสติธรรมานุสติสังขารนุสติได้อย่างไรเรื่องนี้ยังไปเกี่ยวข้องกับขันห้าอิจตนะ6แล้วก็ปฏิจจสมุปาฏิย์ด้วยโอ้โหมีความหลากหลายในการแสดงธรรมของท่านมากในแค่พระสูตรเดียวอ่านได้ฟังกันก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนิดนิดนฟังกันแล้วได้ยินแล้วเราจพบว่ามีเนื้อหาธรรมะ ต, ต่างๆเหล่านี้อยู่ในพระสูตรนี้ทั้งหมด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 แต่ไม่ว่าจะเป็นทุกขาประจําคือเกิดแก่ตายหรือทุกขาจรต่างๆเหล่านี้ก็จะมีองค์ประกอบของกันห้าอยู่ในนั้นทั้งสิน้นขันนั่นก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนะรูปนี้ก็คือหมายถึงธาตุสีทีน้ําไฟลมเวทนาละ่ะยังไม่ทนานได้อธิบายเตมูฟังเอารูปมาอธิบายก่อนนะนี่คือเนื้อหาในพระสูตรนี้นะแต่เพื่อที่ให้เตมูฟังเข้าใจเนี่ยว่าในการตั้ง5้าแต่ถ้าเราจะแบ่งสิ่งที่มันเหมือนๆกัน มารวมรวมกันกลองไว้เข้าด้วยกันสิ่งไหนที่เป็นของแขงของเหลวก๊าซเป็นท่าตสีดินน้ำไฟลมก็มารวมรว ม, รวมกองกองเอาไว้กลองนี้ก็เรียกว่ากลองรูปส่วนไหนที่เป็นความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นสุขหรือทุกข์ก็ตามที่เป็นลนักษณะความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งทิบ่านมาทั้งตาทั้งหูพวกนี้เรามารวมรวมกันไว้เรียกว่าเวทนาอันนี้คือเวทนาขันขันแบบว่ากองก็เรียกว่ากองเวทนา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 ธา ด, ดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมทั้งที่เป็นภายในและเป็นภายนอกส่วนที่เป็นภายในในที่เป็นของแข็งอันนี้เรียกว่าธาตุดินเช่นผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอนกระดูกพวกนี้เป็นธาตุดิน ER ส่วนไหนที่เป็นของเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปไหลมาได้อันนี้ก็เรียกว่าธาตุน้ำเช่นน้ำเลือดน้ำเงือน้ำมันพวกนี้เป็นธาตุน้ำที่มีอยู่ในกายของเราส่วนธาตุไฟนี้คือความร้อนที่อยู่ในกาย ความร้อนนี้ทำการให้อบอุ่นด้วยความร้อนนี้ก็เป็นความร้อนที่เผาผลาญอาหารด้วยเป็นความร้อนที่ทําร่างกายนี้ให้แก่ชราด้วยแต่ความร้อนที่มีอยู่ในกายประเภทนี้เรียกว่าธาตุไฟแต่แล้ส่วนไหนที่เป็นของพัดไปพัดมาได้เป็นลักษณะของธาตุลมเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมที่เราเรอออกมาหรือลมที่ออกมาจากในท้องในไส้ก็ตามแต่ลมทั้งหมดนี้ก็คือเรียกว่าสิ่งที่เป็นธาตุลม พวกนี้คือเป็นที่เป็นในภายในและภายนอกก็อย่างที่เราเห็นการตัมบูฟังแต่คือลักษณะเดียวกันเลยอันไหนเป็นของแข็งอันนี้ก็เรียกว่าธาตุดินอันไหนเป็นของเหลวก็คือธาตุ น, น้ํำอันไหนเป็นความร้อนก็นคือธาตุไฟอันไหนเป็นสิ่งที่เป็นลมพัดไปพัดมาได้อันนี้ก็คือเรียกว่าธาตุลมในมีอยู่สธาตุทั้งภายในและภายนอกอันนี้คือที่ท่านพระสารีบุตรอธิบาย และนอกจากนี้ท่านยังให้ตักกะความคิดท่านผู้ฟังในที่เปรียบเทียบกันระหว่างสิ่งที่เป็นภายนอกนั่นคือธาตุที่เป็นภายนอกกับธาตุที่เป็นภายในกายของเราแต่อาหารที่เรากินน้ําที่เราดื่มลจากสิ่งที่เป็นภายนอกนี่แหละนําเข้าสู่ในกายของเราโตขึ้นมาได้ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปก็เพราะว่าอาหารน้ําหรือการออกกําลังกายหรือว่าอากาศที่เรากินดื่มสูดเข้าไปทําให้ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปัเช่นวันไหน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 จนควบคุมไม่อยู่มางที่ก็น้อยเกินไปจนกระทั่งหาไม่มีท่าลมนี้ก็เหมือนกันท่านผู้ฟังวันนีก็มากถึงขนาดว่าเป็นพายุเฮอริเคนเป็นพายุใต้ฝุ่นนะทำหมู่บ้านนิคมคนครอะไรต่างๆให้พังกระจัดกระจายยับเยินไปหมดในปัจจุบันนี้เราก็เห็นกันอยู่นะที่พายุเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่ยังมากมันก็สองาวันนะไม่เกินอาทิตย์หนึ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปบางสมัยท่านผู้ฟัง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 แปรปรวนไปเปลี่ยนแปลงไปได้เหมือนกันเราคิดพิจารณาตรงนี้แล้วไอ้ตันหาที่มันจะมายึดในกายนี้ที่เป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมเนี่ยมันจะยึดอยู่ไม่ได้มันจะลาไปได้แต่คนที่มีจิตใจอย่างยินทามุ่หวังเนี่ย ท, ที่เห็นความไม่เที่ยงในธาตุสีดินน้ำไฟลมเนี่ยเวลาถูกเขาดา่าทอไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องชาติกําเนิดเรื่องรูปปั้นสันฐานเรื่องเกีกยวกัความคิดความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งเน่ยเป็นเสียงมากระทบหูแล้ว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 ระลึกถึงการที่เราจะต้องปฏิบัติ ด, ดีเอาคําสอนนี้มาทรงไว้ในใจของเราทําให้มันเกิดให้มีขึ้นได้การขัดคําสั่งพ่อมันไม่ดีถ้าเราทําได้มันจะดีอันนี้เป็นการปฏิบัติดีเป็นสุปฏิ ป, ปฏันโนแปลว่า ต, ตามคําของใครก็ตามคําของภัวะคือพักะวะโตเป็นผู้ฟังคําสอนคือสาวกสังโฆนั่นเองมีการระลึกถึงทั้งพุทธธรรมสังฆะเป็นพุทโทธธรรมโมสังโฆอยู่ในใจ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 ระลึกถึงพุทธธรรมสังฆะเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติปุดุพุทธัทธทงธรรมังสังฆังสารนังกชามิอยู่เกือบทุกวันแม้แต่มันทําใจอย่างที่สอนไม่ได้ตามตามคําสั่งพ่อไม่ได้ก็จะรู้สึกสลดใจสั่งเวทใจอันนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ยังดีก็ยังดีก็ยังดีกว่าไม่ระลึกถึงในมางวันะแต่ระลึกถึงแล้วทําไม่ได้มันยังดีกว่าไม่ระลึกถึงแล้วถ้าระลึกถึงแล้วทําได้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 เป็นธรรมธาญาตเป็นทาญาตที่รับธรรมนี้มาปฏิบัติโดยธรรมทําทให้มันดีตรงฝั่งทําให้มันถึงธรรมนี้เวลาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วด้วยปัญญายิ่งส่วนที่เราเข้าใจได้ง่ายบ้างก็มีส่วนที่ต้องอา่านทําความเข้าใจให้ลึกซึ้งก็มีเราทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งเห็นอยู่อย่างให้แจ่มแจ้งว่าในกายของเรานี้มีความไม่เที่ยงตรงนี้ตรงนี้เป็นของที่อาศัยเหตุปัจจัยแล้วเกิดขึ้น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 ไม่ว่าเราจะเห็นขันห้านี้โดยความที่มันเป็นของอาศัยการเกิดขึ้นมันได้เกิดขึ้นบัญดาปเทศเป็นตัวตนเป็นอัตตาของมันเห็นอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ทำตามคําสั่งสอนที่พ่อในทางวิวัติศาของเราซึ่งทุกคนมีคนเดียวเหมือนกันเนี่ยคือพระพุทธเจ้านี่แหละได้สั่งสอนเอาไว้ก่อนการปรินบัติไว่าให้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทให้เป็นผู้ที่มีความรู้ตัวรอบครอบเป็นปชานาติให้มีสติคือความระลึกถึง อาศัยพุทโธธรรมโมสังโฆในการที่ตั้งจิตรอไว้ให้อยู่อย่างดีตั้งจิตไว้ให้อย่างดีได้แล้วทำอุเบกขาที่เป็นกุศลธรรมให้เกิดขึ้นในใจตั้งใจไว้อย่างนี้แล้วเวลามีสิ่งใดมากระทบทำบุฟังเขาจะด่าจะว่าเราไงก็ตามเถอะนะอดทนเอาให้มีขันติบุคคลที่มีขันติมีความอดทนจะเป็นผู้ที่มีความสง่างามอยู่ในใจบุคคลที่มีขันติ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 เราจะชื่อว่าเป็นผู้ที่ตทำตามพระโอวาทอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วได้ไอ้ตรงจุดที่ทําได้ดีเนี่ยก็คือความดับไม่เหลือของความทุกข์ไอ้ตรงจุดที่มันจะไปยึดถือขันท่าเนี่แหละเรียกว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์แต่พระสูตรนี้สวยงามมากทับบ้งหังเป็นเรื่องราวที่ท่านพระสารีบุตรเริ่มต้นพูดถึงเรื่องของอริยสัจสีนะ่แย่ออกมาทุกสมุทัยนิโรธมากนะเอาเฉพาะเรื่องทุกข์มาอธิบายแย่ออกมาเป็นเรื่องของรูป เวทานาสัญญาสังการวิญญาณขันห้าเอ้าฉพาบอรเรื่องรูปอธิบายแยกออกไปเป็นท่าสีดิน้ำไฟลมพูดถึงพระรัตนตรัยกลับมาเรื่องขันห้าอธิบายต่อไปเรื่องอยายตนะหกไปเกี่ยวข้องกับปฏิจจสมุปบาทแล้วกลับมาที่อริยสัจ ส, สีสวยงามมากถึงฟังข้าพเจ้าคงไม่สามารถทำได้อย่างท่านภาษารีบุรคือถ้าข้าพเจ้าไม่มาอ่านพระสูตรนี้ถึงวังหนือที่จะมาอธิบายธรรมะ ที่มีความลึกซึ้งให้มันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงจบอย่างสวยงามมีอุปมาอุปไมยที่ลึกซึ้งแยบคายแม้นรระศาสตร์ในเก่งมากแต่เป็นเรียกว่าเป็นธรรมทานยากจริงๆนะคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านบวงเป็นสมบัติที่พระองค์ทิ้งไว้ให้แล้วอยู่ที่ว่าเราจะไปเปิดดูเอาสิ่งที่เป็นคุณค่าต่างๆนั้นมาใช้งานหรือไม่การฟังธรรมะไปเรื่อนี่แหละช่วยได้พระพุเจ้านั้นศึกษาหาความรู้เรื่องใดๆแล้ว ก็จะนำมาแบ่งปันให้ทัพูมฟังฟังในรายการนี้แหละวันนี้เวลาหมดแล้วทัพูมฟังแต่บพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าพระมหาภัยบูญอภิปุนโนจากวัดบ้านเรอนไยโศกจุลปอน